นะอ่ะก็ตอนนี้ก็เลยโอ้โหแย่มากๆเลยเป็นยกที่พูดง่ายๆว่าผู้หญิงก็เสื่อมมากซึ่งผู้หญิงเสื่อมมากเท่าไหร่ก็คือผู้ชายเสื่อมมากเท่านั้นแหละเพราะมันมันคู่กันอยู่แล้วมันไปตามกันพวกนางจะกุ้มรุมกันแย่งทรัพย์ที่สามีทํางานหามาได้ด้วยความยากลําบากเอามาซื้อสุราดื่มกับชายชู้ซื้อของหอมเครื่องประดับมาแต่งตัว แล้วคอยเฝ้าสอดส่องมองหาชู้ในที่มิดชิดบ้างที่รับตาบ้างจริงที่มิดชิดมันก็ไอ้นั่นแล้วนะที่รับตายอีกมิดชิดแล้วยังรับตายอีกอคือพูดง่ายๆว่าโอ้วันวันหนึ่งนี่ไม่ค่อยทำงานด้วยนะเสร็จแล้วผู้ชายหาเงินมาได้ก็เอามาใช้ด้วยเอามาใช้ก็ เอามาบ่มรุงมาลยที่จะสัมสอนเรื่องเพศนะพูดง่ายสังสอมทางกามก็ดูนะจะเป็นยุคไหนสมัยไหนแม้ข้าวเปลือกที่เตรียมไว้หวานในวันรุ่งขึ้นนางก็เอามาซ้อมหุงเป็นข้าวต้มข้าวสวยและของขบเคี้ยวเพื่อกินกับชายชูพวกนางทำตัวเหมือนนางสุนักจิ้งจอกหิวโซที่นอนหลบอยู่ใต้ตังคอยกัดกินเชือก ที่เขาฟันแล้วย่อนไว้ใกล้เท้าแม้ภัยจากความฝันเรื่องนี้ก็ยังไม่มีแกพ่พระองค์แน่แท้แต่จะมีในการอนาคตถึงก็ยัง <c oughs> ถึงแล้วเหร อ, อระวังนะอย่ามองไปไกลนะอย่ามองไกลไปมากมองเขเยบเขเยบเข้ามาอ่าดูสิในเอา ในบ้านเราเองมีไหมมีใครเป็นไหมในบ้านเราเองมีใครทำตัวแบบนี้ไหมผู้หญิงผู้หญิงมีใครทำตัวแบบนี้ไหมจริงจริงมันไม่ต้องเป็นผู้หญิงก็ได้นะเป็นผู้ชายก็ได้มันก็ทำตัวแบบนี้ได้เหมือนกันก็ซ้ำ ส, สอนได้เหมือนกันเพราะอันเนี้ยเราก็ดูสิเ อ, อ้เราอะบอกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเว้ออยอยาบหยาบอะไรขนาดนี้นี่พวกเราไม่มีหรอก ยิ่งเรามาถือสีมาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วไอ้หยาบหยาบนี่มันตัดตัดตัดออกไปได้ตั้งเยอะแล้วเพราะว่าไอ้ที่ที่ที่พระเจ้าท่านพยากรณี่ท่านก็พูดแบบโลกโลกคนทั่วๆไปแล้วก็หยาบหยาบมากๆถึงขั้นนี้โอ้โหมันน่าเกรงมากเลยนะแต่ถ้ามาพูดถึงพวกเราไม่ไม่หยาบเพิ่งขนาด น, นั้นแหละแต่ระวังคราวนี้เริ่มละพวกเราเนี่ยมันจะมีอะไร เริ่มจากพวกแอบอะพวกแอบจิต <c oughs> จิตยังมีแอบอยู่อ่าเราจะต้องมาเริ่มดูละเออจริงภายนอกเราบางทีไม่มีแต่ภายในเนี่ยก็ยังมีกิเลสกรรมอยู่อะใช่ไมบางทียังอดเป็นชู้ทางใจไม่ได้อา้าวถามดูใครไม่เคยเป็นเลยเหรอนี่ <c oughs> แหมกำลังจะดูที่ใครยังไม่เคยเป็นเลยโอ้โหยิ่งคําว่าชูทางใจนี่นะโอ้โหยากที่ใครจะหนีพ้นจริงไหมคุณว่าจริงไหมโอ้โหยากที่ใครจะหนีพ้นไอ้คำว่าชูทางใจเนี่ยพรามไม่ไดเกี่ยวนะว่าคุณต้องแต่งงานแล้วถึงจะไอ้นั่นนะไม่จําเป็นนี่ต่อให้คุณเป็นโสดเนี่ยแหละแต่เดี๋ยวบางทีเอ้ยคนนั้นก็ดีนะชอบนะคนโน้นก็ชอบนะโอ้โหแล้วมีเหรอชอบคนเดียวอะ่ะ ไม่อ่ะใช่ไหมเดี๋ยวไอ้คนนั้นโอ้คนนี้ก็ดีนะมีความดีอย่างงั้นอย่างนี้เราเนี่คุณไม่ไม่ได้ใบหน้าเกลียแบบโลกร ก, ก็ตามแต่อดไม่ได้บางทีโอ้โหคนนี้เขาดีนะเขามีเมตตากรุณาเขาขยันขันแข็งเอาต่อให้อย่างนี้ก็ตามคุณก็ชอบละอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยงไงเดี๋ยวไอ้คนโอ้โหคนนี้<ๆ>ก็ดีนะคนนี้ให้กําลังใจดีนะปลอบใจก็เก่งนะเอาละ่ะ เดี๋ยวก็ชอบอีกแล้วคือถ้าชอบแบบศรัทธาแบบชื่นชมธรรมดาไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นอันนั้นไม่ถือว่าผิดหรือว่าเสียหายอะไรแต่ประเด็นเนี้ยที่เรากําลังพูดนี่เราพูดประเด็นที่ว่ามันชอบแบบเลยเถิดไปละไปไเป็นกาไปเป็นราคะไปเป็นอะไรละจนบางคนเนี่ยถ้าไม่มีสติไม่รู้ตัวยิ่งปรุงไปใหญ่เลยนะโอ้โหชอบจนกระทั่งข่าวนี้แหละจิตมันปรุงมากๆปรุงมากมากจริงจร่งอะมัน ตัวเองเนี่ยแหละไปชอบเขาชอบมากๆเข้ามากๆเขา้าบางทีเนี่ยบางเอิบบางเอินเดินสวนกันเออเข้าปฏิสันถานนะอะย่ า, ายกมือไหว้ยิ้มให้อาเจริญธรรมครับโอ้โหปลื่มอย่างเลยนะโอ้โหดีใจชอบใจอย่างนะี้โอ้แล้วก็ฟุ้งนะพวกเนี้ยฟุง้งโอ้โหเนี่แสดงว่าเขาชอบเรามากเลยดูซิเขาเขาผ่านคนนั้นเขาเขาจเจริญธรรมแต่เขาไม่ได้ยิ้มให้เลยนะอืแต่ยิ้มให้เรา โอ้โหฟุ้งซ่านไปหนักไปไกลยิ่งเผลอๆนะบางทีคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอนะบางเอิรบังเอนะิร์ดะเกิดโอ้มีอะไรมาเสร็จแล้วก็เกิดบางเอิญเจอเราพอดีเลยนะกําลังหาทางออกอยู่นะว่าจะให้ใครเอาไปดีโอโ้เจอเราพอดีเลยกําลังจะหาทางว่าจะทิ้งได้เร็วที่สุดทิ้งไงบังเอิรเรามาพอดีเลยนะก็โอ้โหเอิคุณเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไหมเกิดให้ไปอย่างนี้นะโอ้โหคราวนี้ยิ่งไปคิดหนักเลย เขาคงจะชอบเราอย่างนั้นเขาคงจะชอบเราอย่างนี้อะไรฟุ้งซ่านใบใหญ่เลยยิ่งถ้าเกิดคนนั้นทําทีทําท่าจริงๆด้วยอะ่ะคราวนี้ยยิ่งอาการหนักยิ่งหนักทั้งทั้ ท, ทีบางทีเอา้าไอ้คนนั้นก็เขาก็มีแฟนเขาก็มีอะไรเขาแล้วอะ่ะโอ้ถามว่ารู้ไหมรู้แต่มันมันไม่อดใจมันไม่ห้ามใจแล้วคราวนี้ มันก็ยังจะไปชอบอยู่อีกเอ้าคราวนี้แหละคุณเริ่มจะเป็นชู้ทางใจแล้วนะพอหัวใจมีตีนเนะี่ยหัวใจมีตีนเขาเขามีต่อหัวใจมีตีนเที่ยวปลายปีนเรื่อยไปนั่นแหละเนี่ยระวงังอย่างเรื่องเรื่องตะกี้เนี่ยความฝันที่เป็นนิมิต ท, ที่พระเจ้าท่านพยากรณ์มาเนี่ยเห็นไหมมันจะเกี่ยวกับเรื่องกรารแล้วเนะี่ยเรื่อง เรื่องผู้ชายผู้หญิงว่าอันนี้เราเข้าใจได้เนี่ยเราจะระวังเรื่องนี้ให้มากขึ้นจะสังวรให้มากขึ้นอย่าเป็นนางสุนักกิ้งจอกหิวโซอย่าเป็นนางสุนักกิ้งจอกหิวโซเอาเขาชอบบ้าจริงๆนะนังจีนน่ะมันก็ชอบอะไรนะนางยิงนะง่งจอกร้อยปีนางกิ่งจอกพันปีอะไรเงี้ยพวกพวกพวกนงังจีนน่ะนะ แล้วก็เป็นนางปีศาจนะนางปีศาจจิ้งจอกพันปีอะไรของเขาเนะี่ยแล้วพวกพวกไอ้พวกปีศาจพวกนี้ก็ชอบมาล่าผู้ชายอะ่ะ<ม>ไอ้ตามที่เขาชอบสร้างอย่างนั้นนะนั่นแหละความคําเปรียบอะไรพวกเนี้ยมันมันมันมันก็จะมาจากจากความเป็นจริงมาจากหลายๆประเทศแล้วทําไมบางทีเขาชอบเปรียบกับสุนัขจิ้งจอกเพราะอะไรเออเจ้าเล่ห์มัน มีความฉลาดแต่ฉลาดแบบแบบกี้โกงฉลาดแบบเล่่เลว้ายเล่เ ล, เ ล, เ ล, เ ล, เลียมอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นระวังเราเองเราอย่าให้เป็นอย่างงั้นอ้าวฝันเรื่องที่แปดตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วคือน้ำเนี่ยมันเต็มตุ่มแล้วยังตักน้ำใส่อีกตักน้ำใส่อีกมอมฉันเห็นตุ่มน้ำเต็มเปียมลูกใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวัง มีตุ่มว่างเปล่าล้อมรอบอยู่เป็นอันมากแต่ผู้คนดูนะครัว่าผู้คนที่มีใครบ้างทั้งกษัตริย์พรามแพทย์สูตรต่างพา ก, กันเอาหม้อไปตักน้ำมาจากทั่วสารทิศนำมาเติมใส่ตุ่มน้ำที่เต็มแล้วนั่นแหละน้ำจึงล้นแล้วก็ล้นอีกจนไหลทิ้งไปแม้อย่างนั้นคนทั้งหลายก็ยังคง เทน้ำใส่ตุ่มไปนั้นอยู่เรื่อยๆไม่มีใครเหลียวแหล่ดูตุ่มที่ว่างๆเลยนี่เป็นความฝันอีกเรื่องของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของความฝันนี้พระเจ้าค่ะมันเป็นฝันที่แปลกนะมีตุ่มต้องเยอะแยะนะแต่มีใบใหญ่อยู่ใบหนึ่งใหญ่กว่าใครเพื่อนก็น้ำเต็มตุ่มแล้ว คนมาเยอะแยะก็ยังตักเทยอยู่นั่นนะส่วนไอ้ตุ่มเป่าๆรอบๆนั้นนะนะซึ่งเยอะแยะไปหมดก็ยังคงว่างอยู่อย่างนั้นนะไ ม, ไม่ไม่ไม่ยักกระเทใส่ฮะเทใสอยู่ไอ้ตุ่มใบใหญ่นะใบเดียวดูนะผู้เจ้าจะพยากรณ อ, อย่างไงมหาบรพิษความฝันนี้ก็ไม่มีภัยใดๆแก่พระองค์เลยเพราะเหตุจะเกิดในการอนาคตเมื่อโลกเสื่อมลงพระราชาทั้งหลายจะตกยาก เป็นกำพระแม้แต่พระราชาองค์ใดที่เป็นใหญ่ก็จะมีพระราชาทรัพย์เพียงแสนกระสาบในท้องพระคลังเท่านั้นคือพูดง่ า, งงายๆว่ายุคมันเสื่อมมากเลยอะไรๆก็ยากลำบากไปหมดแม้แต่พระราชาก็ยังหมายถึงผู้ที่เป็นใหญ่เนี่ยก็ยังยากลาบากเลยขนาดว่าในหมู่พระราชาเนี่ยหรือว่าในหมู่หัวหน้าหัวหน้าของคนเนี่ยผู้นาคนหัวหน้าของ ของคนที่เป็นใหญ่ที่สุดในหัวหน้าอ่าก็เนี่ยจะมีซัยพงางง่ายในที่นี้เขาใช้คำว่าแสนกสระาบคือคือถ้าหมายถึงสมัยก่อนเนี่ยแสนกสาราบสมัยก่อนมันน้อยมากอะ่ะจริงๆมันต้องมีมากกว่านี้เป็นต้องมีเป็นโกดคือเป็นล้านแล้วก็เป็นโกดโหต้องมีรัพย์เป็นอย่างนั้นเพราะขนาดเศรษฐีในสมัยสมัยโบราณเนี่ยนะเขายังต้องมีเป็นโกรธโกเลย เขาไม่มีแค่เป็นล้านนะโกดหนึ่งเท่ากับกี่ล้านฮะโกดหนึ่งเท่ากับกี่ล้านสิบล้าน <c oughs> อ๋อ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกโอ้โห <c oughs> ใช่ไหมวันพระราชาที่พูดยังไงใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยยังมีแค่สี่แสนอย่า <c> ง <oughs> ไม่ถึงล้านเลยแสดงว่ามันเป็นยุคที่โอ้ยลาบากมาก ขนาดพระราชาเนี่ยในท้องมคขังยังมีเงินอยู่กระติ๊เดียวเองด้วยเหตุนี้เรา ด, ดูดูนะประเด็นสาคัญอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุนี้พระราชาตกยากทั้งหลายจึงเกณฑ์ชาวบ้านทุกคนให้มาทำการเพาะปลูกให้ตนชาวบ้านถูกเบียดเบียนจนต้องละทิ้งการงานของตนเองพากันมาเพาะปลูกข้าวถั่ว ง, งาให้แก่พระราชาเท่านั้น ชาวบ้านต้องช่วยกันปลูกช่วยกันเฝ้าดูแลช่วยกันเก็บเกี่ยวช่วยกันนวดช่วยกันขนช่วยกันเคี้ยวน้ำอ้อยและช่วยกันทำสวนดอกไม้สวนผลไม้เมื่อเสร็จแล้วก็ช่วยกันขนพืชพันธัญญาหารเหล่านั้นทั้งหมดนำมาใส่ไว้ในยุ้งฉางของพระราชาเท่านั้นโดยไม่ได้รับการเหลียวแลยุ้งฉางที่ว่างเปล่าของพวกชาวบ้านเลยคือพวก ชาวบ้านเนี่ยต้องโดนพระราชาเพราะมีอำนาจเกณียมาเกณฑ์ให้มาทําทําเสร็จแล้วเอาไปเป็นของพระราชาหมดถ้าพูดเป็นระบบระบอบอย่างเนี้เราเรียกว่าระบอบอะไรอะคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆเขายังเอาไปเข้าเป็นส่วนกลางอ่ะอันนี้ระบอบอะไรนั่นแหละระบอบ จริงๆมันก็เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ก็อยู่ที่พระราชาว่าพระราชาเนี่ยจะดีขนาดไหนแต่พระราชานี่โอ้โหแย่มากเลยเพราะว่าตกยากใช่ไหมมันกลายเป็นผดเด็จการไปแล้วกลายเป็นผดเด็จการอย่างอย่างร้ายกาจเลยเพราะว่าชาวบ้านทําได้ทั้งหมดเท่าไหร่ต้องเอามาเข้าคลังของพระราชาผู้เดียวเท่านั้น ราชานี่ก็คือผู้เป็นใหญ่นั่นเองเพราะเอามาหมดเลยเอามาเข้าของตัวเองหมดเลยพูดง่ายๆว่าชาวบ้านชาวช่องไม่มีได้เลยเอามาเข้าตัวเองแผู้ดเดียวนี่แหละคือระบบนายทุนระบบนายทุนคือพูดง่ายๆว่าพวกที่ทําทําอยู่เนี่ยที่บางทีได้เนี่ยหน่นอยได้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วแทบไม่ได้เลยเพราะว่านายทุนนี่โกยออกไปหมดเพราะอะไร พวกที่ได้ได้ไปเนี่ยนะเล็กๆ น, น้อยเนี่ยเดี๋ยวนายทุนแปลสภาพมาเป็นสินค้าแปลสภาพมาเป็นอะไรต่ออะไรดูดกลับไปหมดแหละพืนที่ที่ที่พวกชาวบ้านบางทีได้เงินเดือนได้อะไรเล็กๆ น, น้อยมาไม่พอใช้ได้มาอย่างไงไม่พอใช้ในที่สุดก็คือว่างเปล่าหมดเพราะมันไม่พอใช้เพราะเดี๋ยวขึ้นภาษีบ้างใช่ไหมหรือหลอกเอาสินค้า ราคาแพงๆออกมาบ้างไออุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเอามาหลอกโฆษณาชวนเชื่อต่างๆไอพวกคนโจรยังไงมันก็จําเป็นต้องซื้ออยู่แล้วเพราะบางทีก็ต้องซื้อนี่ข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นก็ต้องซื้อแต่กลับมาในรูปราคาแพงแล้วเพราะตัวเองไม่มีอยู่แล้วพวกนายทุนพวกเนี้เป็นคนไปปั้นเป็นคนไปสร้างแล้วย้อนกลับมาขายให้กับชาวบ้าน ชาวบ้านก็ต้องมาซื้อในราคาแพงยิ่งระบบไดเหล็กเซลโอ้โหกำไรมัลูกกี่ต่อต่อกี่ต่อเพราะฉะนั้นราคาจะสูงมากราคาจะแพงมากเลยราะฉะนัพย์ส่วนใหญ่ก็จะโดนดูดกลับไปที่นายทุนใหญ่เกือบทั้งหมดเพราะอันนี้แหละแล้วนี่นี่นี่สมัยโบราณมาแล้วนะเพราะวันสมัยโบราณยังยังไม่ได้ไปเข้าใจซับซ้อนเหมือนเดี๋ยวนี้อู๋เดี๋ยวนี้ ระบบหุ้นระบบอะไรอีกนะไอ้ตลาดหลักทรัพย์อะไรอะ่ะที่ไปขายหุ้นไปอะไรเป็นระบบนายทุนทั้งนั้นระบบพวกนี้ใช้เงินต่อเงินแทบไม่ต้องเหนื่อยอะไรอย่างอื่นเลยใช้สมองบ้างใช้ข้อมูลบ้างใช้อะไรบ้างใครรู้ไวกว่าอะไรกว่าเอาเลยไปซื้อขายไปอะไรโกยเงินกลับมาแล้วเพราะนั้นอันเนี้ย สมัยนี้มันซับซ้อนมันสมัยก่อนไม่ได้ซับซ้อนมากมันเห็น จ, จัดจ่ะเห็นง่ายๆเนี่ยใช้อํานาจเกณฑ์ชาวบ้านมาเลยทำทำทำทำเสร็จเอาเข้าคลางหมดเข้าของหลวงหมดแล้วไม่ใช่ของหลวงอื่นด้วยนะของหลวงแต่ผู้เดียวเลยนะอ่าคอมมอนนิสต์เนี่ยเขาเอาเข้าส่วนกลางทั้งหมดใช่ไหมแต่แต่เขาไม่ได้มีแบบพระราชาเขาก็มีคณะคณะผู้บริหาร อันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเผด็จการแบบหมู่เผด็จการหมู่ถ้าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเผด็จการเดียวแต่ผู้เดียวไงมีพระราชาเป็นใหญ่ตูมเดียวแต่แบบคอมมิวนิสต์นี่เผด็จการหมู่ในอันเนี้ยนนเพราะนั้นฝันเรื่องนี้ให้เรารู้ให้เราเข้าใจในเรื่องของอะไรอะ่ะ ตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วเนี่ยคือพูดง่ายว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียกมากๆคราวนี้ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองดูนะบางทีเราทำงานกับใครแม้แต่ทุกวันเนี่ยเรามาทำงานอยู่ในระบบสาธารณาพกีที่วัดนี่เป็นองรวมและทำก็เข้าส่วนกลางหมดเหมือนการคล้ายกันนะดูแลคล้ายๆกันนะแต่มันไม่เหมือนกัน เพราะเราเข้าส่วนการหมดปั๊บกระจายกระจายออกให้ทุกคนได้หมดมีกองบุญอยู่มีสวัสดิการอยู่ที่ที่จะกระจายออกให้ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับแล้วก็ไม่บังคับด้วยไม่บังคับว่าต้องมาทําไม่ทําไม่ได้ไม่ไม่บังคับคุณจะทำจุดนั้นคุณจะทำจุดนี้บางจุดทำแล้วไม่มีรายได้เข้ามาเลยมีแต่ต้องจ่าย้วยซ้าไป แต่บางจุดทำแล้วมีรายได้เข้ามามากก็ได้คุณสามารถจะอยู่ในแผนกไหนส่วนไหนได้คุณทาได้ทาแล้วก็เนี่ยก็มากินมาใช้ร่วมกันจริงๆแต่จะแตกต่างเลยคราวนี้ถ้าแต่ก่อนเราอยู่บ้านใช่ไมบางทีเราทำก็ยิ่งเดี๋ยวนี้ก็กระเป๋าใครกระเป๋ามันเลยกระเป๋าใครกระเป๋ามันแล้วที่ได้มา เป็นไงได้มาเก็บแต่เดี๋ยวนี้เขามีที่เก็บเราเรียกว่าธนาคาร <c oughs> คุณก็ไปกองอยู่ที่ธนาคารแต่ยังเป็นของคุณอยู่คือระบบอย่างนี้มันซับซ้อนมาอะไรมากขึ้นจริงจริงธนาคารเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูรับดูรับอย่างมากเลยจริงๆริงเนี่ยธนาคารไม่ต้องมีก็ได้ จริงธนาคารเนี่ยมันเป็นระบบสาธารณภโกีได้นะถ้าเขาไม่มากินดอกเบี้ยเขาไม่มาเอาเงินของส่วนกลางของของคนที่ฝากเนี่ยไปหมุนแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเอออย่างนั้นนะเขาจะมาเป็นบุญนิยมได้แต่นี่ไม่ใช่เขาก็ยังคงเป็นระบบนายทุนกลายเป็นจับเสื้อมือเปล่าหมดเลยนะก็ลงทุนแค่อะไรอะ่ะแค่แค่สร้างตึกแค่จ้างพนักงานนอกนั้น คนเอามาฝากเอามาฝากเอามาฝากตัวเองก็เก็บเอาเก็บเอาดอกเบี้ยก็แล้วแต่คุณจะกําหนดนะ <c oughs> คุณจะกําหนดเท่าไหรอ่อ่ะให้เขาอะ่ะ เ, เสร็จแล้วยังไงอะเงินที่ได้มาก็เอามุนเอามาหมุนอะไรเอามาหมุนให้พวกฝากกันแหละพวกที่มาฝากกันแหละในที่สุดก็บางทีก็ไปอะไรอะ่ะเขาเรียกไปอะไรอะไปกู้เออ ไปกู้ไปอะไรต่ออะไรสินเชื่อต่างๆนั่นแนหะล ะ, ละโอฉลาดมากเลยถึงบอกว่ามันไม่เป็นบุญนิยมเพราะอันเนี้ยเพราะคุณกู้ไปก็คิดด อ, อกเบี้ยอ่ะอ่าอันนี้ยังไม่เหมือนของศาสนาอะไรเขาอิสลามที่ฝากเขาไม่ให้มีดอกเบี้ยออาันที่ที่ถูกมันต้องจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าระบบสาธาโภคีของเราเนี่ย นะที่เป็นองค์รวมคุณทำเข้ามาคุณอะนั่นเข้ามาไม่มีจะเด็กจะผู้ใหญ่จะอะไรมีสิทธิ์ได้เท่าเทียมกันใครทำมากทำน้อยก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันเออไม่ใช่ว่าคนที่ทำมากคนนี้ก็ต้องได้มากคนที่ทำน้อยคนนั้นต้องได้น้อยอ่ะไม่ทำมาแล้วเอาเข้ากองกลางไปหมดเลยอืมคุณไม่ต้องมานั่งคิดดอกเบีย้ยอะไรด้วยเพราะไม่มีดอกเบีย้ยให้ เนี่ยว่ามันจะต่างกันต่างกันมากเลยระบบบุญนิยมนี่ให้เลยถือว่าเสียสละเลยให้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็พูดง่ายว่าตุ่มน้ําเนี่ยเราตากแล้วเราก็เติมให้ทุกๆตุ่มให้เต็มไม่ใช่จะไปเติมแต่ตุ่มใหญ่ตุ่มเดียวไม่ใช่เห็นไหมอันนี้พระเจ้าถึงได้พยากรณ์ให้ให้ให้ฟังเลยว่าเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไปเติมอยู่ตุ่มเดียว ม, มีกี่ตุ่มกี่ตุ่มก็ ไปช่วยกันมามีอะไรบ้างอ่ะออสี่วันนะกษัตริย์กษัตริย์นี่พวกอะไรเออพวกผู้บริหารพวกผู้ปกครองอันนี้หมายถึงว่าระดับอ่าระดับหัวสมองใช่ไหมเป็นผู้บริหารเอาลงมาอะไรพรามณ์พวกนักบวชพวกนักบวชก็เนี่ยพวกนักบวชนี่ก็ไปตากหน้ามาใส่ตุ่มเดียวอยูเหมือนกันนั่นเนี่ยวันณะเนี่ยขนานักบวชก็ยังเอากับเขาเลย หมายความว่าไงนักบวชก็ยังมีประโยชน์ผลประโยชน์กอบโกยได้ก็กอบโกยเอาเข้าเป็นของตัวเองอีกเหมือนกันดูนะถึงยุคนี้หรือเปล่านักปกครองก็โกยของตัวเองนักบวชก็ไปตักน้ําเอามาเติมให้ใส่แต่ตุ่มใหญ่ะถ้าตัวเองเป็นใหญ่ก็โกยใส่ตัวเองหรือใครเป็นใหญ่ก็เอาไปใส่ให้คนนั้นน่ะแม้แต่แพทย์คือพวกพ่อค้า ก็โกยใส่ไอ้ตุ่มใหญ่นี่เองเหมือนกันสูตรก็คือพวกกรรมกรก็ต้องไปโกยใส่ให้กับตุ่มใหญ่นี้นั่นในยุคนี้ก็คือยุคที่เรียกว่าโดนกดขี่มากเลยแม้แต่กษัตริย์ที่ตกยากก็ต้องโดนนักบวชก็ต้องโดนพ่อค้ากรรมกรต้องโดนหมดโดนผู้ที่มีอำนาจที่สุดเนี่ย บ, บังคับให้มาทำให้ เพราะในยุคนี้ใครมีอำนาจที่สุดยุคนี้ใครมีอำนาจที่สุดออัตมาไม่อยากบอกเป็นตัวคนนะนะอ่ากิเลส น, นายทุนนี่แหละที่เป็นตัวใหญ่ที่สุดในยุคนี้ใครอะใครที่เป็นานายทุนบ้างอะกิเลส น, นายทุนคนนั้นแหละเป็นตัวใหญ่ที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้พูดกันแต่เรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจไหนดีเศรษฐกิจไหนไม่ดีประเทศไหนจะอ ย, อยู่รอดได้ไหมรอดได้ พูดกันแต่เงินเป็นใหญ่ถ้าไม่พูดเป็นตัวบุคคลก็เงินเป็นใหญ่เงินกลายเป็นพระเจ้าเงินกลายเป็นตัวผู้มีอำนาจที่สุดในสังคมเพราะฉะนั้นใครตกอยู่ในอำนาจเงินทุกคนก็เอามาเทลงให้กับเงินหมดเพราะั้นตอนเนี้ยคนเนี่ยตกอยู่ในอำนาจนี้มากไม่ว่าจะเป็นนักปกครองนักบวชพ่อค้ากรรมกรตกอยู่ในอานาจ นายทุนหมดเลยแม้แต่กรรม ก, กรนี่ก็ได้กรรม ก, กรบางคนก็ยังนายทุนเลยทั้นี้ทั้งที่เป็นกรรม ก, กรแท้แทเป็นคนยากจนแท้แท้ก็ยังนิสัยนายนทุนเลยคืออะไรอะ่ะกรอบโกยทำงานหรือไปทำอะไรได้ก็กอบโกยเอาของตัวเองมากมากเอาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวเองมากมากก็นิสัยแบบนายทุนใหญ่เลย ทั้งที่จริงๆตัวเองก็เป็นคนจนนะก็เพราะจนนั่นแหละมนเลยต้องกอบโกยต้องกอบโกยมากๆแล้วหวังอะไรอะ่ะทำงานสบายๆ ท, ทำงานง่ายๆได้เงินเยอะๆนี่นี่สายนายทุนค้าขายเอ้าสมมติพอค้าค้าขายค้าขายก็ค้าขายแล้วยังไงขายน้อยแล้วได้กำายเยอะๆต้นทุนต่ำๆแต่ได้กำไรเยอะๆ นิสัยนายทุนทั้งนั้นเลยพวกนี้เพราะเนี่ยตกอยู่ในอํานาจของระบบนายทุนเห้อนถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยนะมาจะบอกได้เลยว่าเนี่ยมองกลับมาย้อนที่ตัวเราเองนั้นความฝันเรื่องที่แปดนะให้พวกเราสํานึกสำเนิดในเรื่องของนี่แหละเอเรานี่เป็นคนหนึ่งไหมนี่ที่จะไปเป็นเหมือนพระราชาในความฝันเนี่ย ที่เรียกว่าใช้อำนาจเบียดเบียนคนอื่นๆเขาให้ใครต่อใครก็ต้องมาให้ผลประโยชน์กับเราเองนะเป็นนิสัยแบบนายทุนไหมนะอ่ะก็วันนี้ก็คงจบได้แค่ความฝันเรื่องที่8นะ